ด้วย่มันมีสองทั้งลมหายใจด้วยทั้งพุทโทด้วยใจของท่านรวมสงบได้ น, เน่เมื่อใจสงบรวมสงบแล้วก็ใจของท่านมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีความรู้สึกในใจว่าไม่เสื่อมใจของเราไม่หลุดอีกแล้วอยู่ได้ทีนี้พร่ะบังคับให้อยู่กับกรรมฐานพุทธโทนะนี่แหละอันนี้แหละคือกรรมฐานเบื้องต้นขององหลวงตาท่านกับพูดใน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 เห็นงานเลยสิแหมเหมือนกับเราทำงานทำงานมันได้เงินเลเออพอทำงานขึ้นมามันเห็นผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเหมือนโอ้เราเป็นนอนอยู่ในนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่บัด น, นี้เราทำงานงานมันออกมาแล้วคาวเนี่ยมันเป็นผลงานออกมา เ, เห็นความสัตว์ความจริงขึ้นมาในใจของเราแต่ก่อนเราไม่เห็นอย่างนี้แต่บัด น, นี้เราเห็นผลีนจุดนอนไม่หลับ